มันกลุ่มใดที่ไปกับวจีทุจริตสีไม่ใช่แน่นอนอถ้ามีวจีสุจริตใช่สัมมากัมมันตะเป็นไหมสัมมาอาชีวะเป็นไหมสัมมาวายามะสั ม, มาประธานไหมสัมมาสติสติประธานสี่ไหมสัมมาสมาธิเป็นไปกับฌานสี่เป็นต้นไหมแต่ที่สําคัญ สัมมาทิฏฐิข้อที่1เป็นไปเพื่อรู้อริยสัจสีได้ไหมและอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยประชุมกันได้ไหมเจริญมรรคแได้ไหมถ้าเจริญตามมรรคมีองค์8บอกกล่าวให้ผู้อื่นเจริญตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นั่นแหละว่าอยู่อย่างถูกต้องถ้าอยู่อย่างถูกต้องด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ปฏิบัติตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และบริบูรณ์โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์แน่นอน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 เพราะว่านางวิสาขาก็ยังไม่ปรินิพา น, นาพระอนาถะก็ยังไม่ปรินิพานพระอนาคามีที่อยู่ในชั้นสุดทาวาสเป็นต้นเนี่ยนะพระอรหันต์ที่พรมชั้นสุดทาวาสยังมีอยู่บอกแต่อย่างนี้ใช่แล้วเป็นมนุษย์เหรอเนนะเป็นมนุษย์แล้วนะไปหาที่ไหนก็คงจับฉลากไม่ได้ละมั้งเนี่ยนะจับฉลากผู้โชคดีแบบอะไรนะ เสียงดวงเสียงชะตาแบบที่เรียกว่าระบบการโฆษณาสมัยใหม่อาจจะเป็นไปได้แต่ในทางคำสอนบอกว่าต้องเป็นไปตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วย อ, องค์8ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะบางคนก็บอกเอ๊แล้วจะไปนับถือได้ที่ไหนอะไรก็ ก, ก, ก็พระตถาคตอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไงถ้าจะนับถือไหนๆก็จะนับถือผ้าอรหรันก็นับถือยอดของผ้าอรหันไปเลย ก็คือใครคือพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละสุดยอดของผ า, ารหันถ้าใครบอกว่าตัวเองเป็นผ้ารหันบอกว่าเป็นไปตามอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณนะสัมปันโนสุปโตโลกวิทูถ้าเป็นอย่างเงี้ยใช่เลยบอกออ้ยคำสอนคนนั้นดีเหลือเกินบอกสวากขาโตภคะวตาธรรมโมสันทิทิโกอ า, กาลิกูเป็นไปตามนั้นไหม เอาแล้วสาวกของพระองค์ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไหมปฏิบัติคู่ควรแก่โสดาปฏิมัสสกธาคามิมัสอนาคามิมัสและอรหัตตมัสไหมถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าแนะนําทุกประการโลกไม่ว่างกับพลาดกันแต่ถามว่าแล้วปัจจุบันละ่ะปัจจุบันด่าก็สุดแท้แต่อะไรนะก็อยากเกิดมาช้าทําไมอ่ะ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 ก็ดีนะ้าอะไรเงี้ยแล้วก็เออตกลงพระพุทธเจ้าบอกอะไรเราบ้างอย่างเงี้ย น, นะบางคนเนี่ยนะัศึกษาพระธรรมเนี่ยบางทีหลงประเด็นเหมือนกันนะบอกเข้านับถือพระพุทธเจ้าอะไะพระพุทธเจ้าบอกอะไรคุณบ้างล่ะเออเนาะอะไรงี้ยนะ บางทีนะเอาไปเอามาก็ไม่ใจ่คาของพระพุทธเจ้าสักหน่อยคิดขึ้นเองทั้งนั้นเลยนะบางทีก็เอาคําของเพื่อนเขาว่ามาคนน้นเขาว่าไอเขาไหนก็ไม่รู้ตอนแรกบอกนับถือพระพุทธเจ้าอยู่ดีๆตอนหลังเขาว่าเขาว่าเนี่ยคนนั้นเขาบอกให้เราทําอย่างนี้บอกให้เราทําอย่างนี้เอาแล้วพระพุทธเจ้าว่ายังไงก็ก็ไม่รู้เหมือนกันอโอ้ยเฟียนกรรมนะทำบาปกรรมอะไรมานาะทำไมขนาดขนาดนั้นเห็นไะนั้นเราก็มาดูว่าพระพุทธเจ้าบอกเราว่าอย่างไง พยายามจําเอ๊ะนี่สิ่งที่เราคิดอยู่เนี่ยเป็นไปตามคําสอนของพระองค์อยู่หรือเนี่ยนะแม้กระทั่งในโลกนี้คนที่ทํางานรับใช้นายเนี่ยนะเขาก็ยังถือเอาคําของเจ้านายเป็นหลักเพราะว่าถ้าไม่เป็นไปตามคําของนายก็ถูกปลดได้ง่ายๆเนี่ยนะใช่ไหมนี้ก็เหมือนกันสําหรับคนที่ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเนื้อข้าพระเจ้าเนี่ยนะพุทธสหะส อ, อ, อ, อะไรนะที่สวดกันเมื่อกี้สามิกิสรวะเนี่ยนะ พุทโธโยสัพพปานินังสารังเควมุตตมังปัมานุสติธานาังวันถามิตงังเสเรนะหังไหนไนะพุทธัสสะหัสมินะอะไรนะเมื่อกี้ว่าไงนะพูดฉับพลันมันเลยลืมเลยอ่นะ นะพุทธสาพุทธาสาหัสมิทาโสวะเนี่ยนะหรือทาสีวะเนี่ยนะข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเนี่ยนะเหนือข้าพเจ้าเพราะถ้าเรายังมีพระพุทธเจ้าเป็นนายอยู่บอกเจ้านายเร า, เร า, าว่าอย่างไรบ้างถ้าจะบอกว่าในฐานะเราเป็นทาสคนหนึ่งเนี่ยนายก็บอกว่าอย่างไะงคนนั้นเขาว่าอย่างงี้มาคนนี้เขาว่าอย่างนั้นมาบอกแล้วนายคุณว่าไง ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยคนโน้นเขาว่ามาแต่อย่างนี้ก็อืมน่าองสารเหลือเกินเนี่ยนะมันก็ต้องมาพยายามทบทวนว่านายของเราหรือพระท้าเจ้าของเราคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเหนือกว่าเจ้าธรรมดาว่างั้นเถอะดินเหนือกว่าเจ้าที่เป็นมนุษย์คําว่าเจ้าแปลว่ากษัต ร, ริย์หรือผู้ที่อยู่เชื้อพระวงศเรียกว่าเจ้าเช่นถ้าเป็นเจ้าที่เป็นเทวดาเรียกว่าเทพเจ้า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 ถือว่ามีความสำคัญมากแต่ที่จริงแล้วความสำคัญเนี่ยแรกตรัรสรู้กับก่อนปริิพานความสำคัญเสมอกันเราจะเห็นว่าทำมาจากกับปวัตนาสูตรกับข้อความในมหาปริญพานสูตรไม่ต่างกันเลยพระองค์บอกพระอัญญากุลธัญะว่ามัชิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลางอันประกอบไปด้วยองค์แปดนี่แหละที่ตถาคตเนี่ยนะ ได้ตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งทำจักสุทำญานทำปัญญาวิชาเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเนี่ยพระองค์บอกว่ากับพระองค์บอกกับสุพัทธปริภาชกก็เหมือนกันเรื่องเดียวกันก็คือบอกอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดเพราะฉะนั้นหัวกับท้ายเน้นย้ำอยู่เสมอว่าอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองคแปดพราะนันข้อความตอนกลา ง, ท, งทั้งหมดที่พระองค์บอกสอนก็สอนให้เจริญ อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดพันเรายังปฏิบัติตามอาริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดอยู่หรือทิฏฐิของเราเราทุกคนบอกว่าเราเป็นคนที่มีทิฏฐิทิฏฐิของเราเป็นไปตามมรรคแปดไหมขออภัยทิฏฐิของเราเป็นไปตามอาริยสัจสี่ไหมเราบอกเรามีความตรึกนึกคิดคําที่เราตรึกเป็นไปตามเป็นไปตาม สัมมาสังกัปปะไหมคำที่เราพูดพูดเว้นจากวจีทุจริตอยู่ในวจีสุจริตอยู่ไหมสิ่งที่เราทำเป็นเว้นจากกายทุจริตปฏิบัติตามกายสุจริตอยู่ไหมอาชีพที่เราทำเนี่ยนะเป็นไปกับกายสุจริตวจีสุจริตอยู่ไหมความเพียรของเราเป็นไปเพื่อละบาปเจริญบุญไหมสติของเราดำรงมั่นในสติปัญสีไหมใจของเราสงบ หรือว่าฟุงซ่านเนี่ยเราก็เช็ดูเนี่ยนะควรจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหรือหรือไม่ควรจะเป็ น, นก็สำรวจตรวจสอบบอกว่าแหมมันจะเป็นพระโสดาบันเนี่ยยากเอางี้แล้วกันลดเกรดตัวเองมาเหลือเป็นผู้ถึงสารณคมก็แล้วกันเนี่ยนะ ถ้าไม่ได้เป็นพระสดเชกดูแล้วแหมความเป็นพระสสดาบรนโลกุตระสารณคมเนี่ยยากแท้งั้นเอาโลกิยะสารณคมไปก่อนก็แล้วกันพุทธังสารนังคัจฉามิเนี่ยนะเราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะทั้งที่พระองค์นั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าแม้ดับขันปรินิพานพระแล้วพระองค์นั้นเนี่ยเป็นสารณะเหมือนั้นเราทั้งหลายถึงแล้วพระองค์นั้นน่ะพระพุทธเจ้าพระองค์นี้แหละที่ปรินิพานนานแล้วว่าเป็น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 ใจเหล่านั้นช่วยให้ผลทุกข์ได้ของเราก็คงไม่ชั่วช้าเลวร้ายเท่ากับรททพระเทวทัตพระเทวทัตเอากระดูกคางอุทิศแด่พระพุทธเจ้าพระเทวทัตก็จะได้เป็นพระประเจกับพระพุทธเจ้าในอนาคตเราเองก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ประมาทนะนะไม่ประมาทในการปฏิบัติดีด้วยกายวาจาใจปฏิบัติไปตามที่พระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าสอนเราเองก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกข์ได้เนี่ยนะนะซึ่งสําคัญมากเลยก็คือว่า ข้อปฏิบัติอันประกอบไปด้วยองค์8แต่อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนั้นถือว่าพระองค์บอกอริยศัสตร์ข้อที่เท่าไหร่ข้อที่4อริยศัสตร์มีสี่ประการทุกเหตุให้เกิดทุกความก้าวล่วงทุกขและอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้พ้นจากทุกขหรือปรัรุธรรมเป็นที่ดับทุกเนี่ยนะ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 เพราะอาหาตธรรมะนี่แหละเป็นตัวที่ชำรกอวิชชาเป็นตัวที่กำจัดอวิชชาได้เนี่ยนะเราก็บวช ต, ตั้งอายุเท่าไร่สิปีเมื่อเราบวชแล้วถ้าแต่วันที่บวชมาจวบก่อนปรินิพานบอกว่านับแล้วได้51ปีเพราะพระองค์มีอายุแปดปีใช่ไหมแปดสิปีเนี่ยนะครองคารวาสยี่สิบาปีพันถือว่าบวชทั้งหมด51ปีใช้ชีวิตในเป็นนักบวชเนี่ยห้ปี สมณะคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เป็นไปในประเทศเครื่องนําออกไม่มีภายนอกในธรรมวินัยนี้เลย6ปีที่พระองค์แสวงหาคณะาจารย์ทั้งหลายพระองค์ก็ไม่เคยพบเห็นผู้ที่เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ตลอดระยะเวลาเมื่อพระองค์ตรัสรู้ข้อปฏิบัติที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่สอนอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8พระองค์ก็ไม่เคยพบเห็นเลยนะ พระองค์ไม่เคยพบเห็นว่าผู้ใดเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดเพราะฉะนั้นลัทธิอื่นๆเท่ากับพระองค์บอกว่าลัทธิของครูอื่นที่ท่านพูดมาตั้งแต่แรกปุรณกัสปะมัคลิลโคสารอชิตะเกสะกัมพลปกุฏากัจยานาะสัญชยัยเวรัตบุตรนิครณาตบุตรท่านทั้งหมดเหล่านั้นไม่ได้เป็นพระโสดาบันเลยไม่ได้เป็นพระสกท า, าคามีเลยไม่ได้เป็นพระนาคามีเลยไม่ได้เป็นพระอราหันเลยเพราะอะไร